ท่านฟังที่ครบอท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนานะคะเราก็พบกันเป็นประจำมีรายการที่มีพระสงฆ์อยู่สองรูปด้วยกันกำลังจะมาถึงพระภิกษุรูปที่สองแล้วนะคะนั่นคือพระเพรบุตรนพิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีค่ะกราวงานพัธ ก, การเท่า น, นั้นค่ะเจริญพรค่ะวันนี้พูดถึงผู้เ้าหไหม อยากให้ท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกราบเรียนถามในเรื่องอื่นต่อไปกันแล้วกันค่ะก็มีเรื่องที่สมัยนั้นมีเขาเรียกว่ามีมานพอยู่ทั้งหมดสิบหกองอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่ามีคําถามที่ของมานพสิบหกองอะนะค่ะเป็นคําถามที่เขาชงไว้เตรียมไว้แล้วที่จะไปไปถามพระเจ้าถามไม่ต้อนให้จนนะแต่ว่าพวกมานพพวกนี้ฉลาดมากคือมานพเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ก็มีความรู้ความเรียนนะนะก็เป็น เป็นคนที่มีความรู้ความเป็นก่อนที่เขาจะไปหาพระรูปเจ้าเนี่ยเขาตรียมข้อมูลก่อนนะโดยมีอาจารย์ของมานพเนี่ยให้ส่งสปายคนหนึง่งสายสืบคนหนึง่งนะไปติดตามการดูการใช้ชีวิตของพระรูปเจ้าอยู่ตลอด7เดือนนะมานพคนนี้ชื่ออุตรามานพก็ไปแอบดนะูการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพระรูปเจ้าอยู่ทั้งหมด7เดือนได้ข้อมูลมาแล้วก็เอามาบอกกับอาจารย์ตัวเองนะอันนี้เป็นคําของอุตรามานพที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็จากการที่ไปสังเกตพระรูปเจ้าอยู่7เดือนนะเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่า พระเจ้าเนี่ยสมณโคดมเนี่ยมีลีลาที่งดงามมากเวลาที่เดินไปเนี่ยยกขาไม่เกิดไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปนะเวลาเดินจังหวะการเดินเนี่ยไม่ถีเกินไปไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะเวลาเดินเนี่ยข้อเท้าไม่กระทบกันนะไม่ยกขาสูงเกินไปเหมือนเดินในน้ําไม่ลากขาต่ําเกินไปไม่เดินขาเป็นเกลียวคือเดินควายคว้ขาไปมาอย่างนี้นะแล้วก็มีกายที่มั่นคงไม่โยกโครงใะเวลาจะเหลียวดูก็ เหลียวดูทั้งกายนะไม่เหลียวดูเฉพาะพระพักคือไม่หันหน้าไปเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่หันทั้งตัวไปค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เวลาเดินไปนี่ไม่มองดูสูงเกินไปไม่มองดูต่ําเกินไปอันนี้เีข้อสังเกตของข้อที่1นึข้อที่2นี่เ <Okay. S 1> นะขายังมีข้อสังเกตว่าเวลาเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยไม่เดินกายกระยงนะไม่นั่งเวลานั่งนี่ก็ไม่ได้นั่งแบบรีบเกินไปนะไม่หมุนกายเมื่อนั่ง คือบางคนที่จะต้องมีการลีลาก่อนนั่งหมุนตัวอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะนั่งอย่างสงบนิ่งไม่กระดิกเท้านะไม่นั่งชันเข่าอะไรประมาณนี้ไม่เป็นค่ะนะเวลาเข้าไปในหมู่บ้านก็ไม่มีความตกใจไม่มีความคลั่นคล้ามีความนิ่งมีความสง่า ง, งามเวลารับประทานอาหารนะก็เคี้ยวอย่างละเอียดนะแล้วก็ไม่มีเยื่อข้าวที่ไม่ได้ถูกการขบกัดให้แตกเข้าไปในท้อง นะใช้ลิ้นพลิกหมุนอาหารไปมา2อสามคำและเคี้ยวใหม่เคี้ยวแล้วจึงกลืนนะเนื้อเยื่อข้าวสุกที่ไม่แตกละเอียดก็ไม่เข้าไปในกายนะเวลารับอาหารก็รับอย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้ชูบาดรับไม่เอียงบาดรับไม่หมุนบาดรับไม่สายบาดรับนะรับข้าวสุกพอประมาณกับกับข้าวอย่างนี้เขายกย่องพูเจ้ามากเลยแล้วก็นี้เป็นข้อสังเกตของของมานนําคนนี้ที่ไปเป็นสปายอยู่7เดือน พูดถึงการนุ่งหม่มนะก็นุ่งห่มที่จีวรที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปไม่รัดแน่นเกินไปในะเวลาลุกนั่งแรงต่างก็จีวรไม่เวิร์นะแล้วก็เนื้อกายนี่ก็ไม่มีธุลีติดแล้วนะคงจะไปแอบดูใกล้เหมือนกันอาตมาค่ะ <c oughs> แล้วก็การพูดถึงการแสดงธรรมนะก็ยกย่องพระรูปเจ้าว่ามีเสียงที่กล้องกลางวานน่ะฟังและเย็นน่ะฟังและซาบซึ้ง เวลาพูดนี่ก็พูดด้วยจังหวะจากโคนอย่างดีนะมีเสียงชัดฟังเข้าใจไม่พร่ามัวมีเสียงที่ไม่สัน่นไม่สั่นระรัว <Okay. S 1> แต่เวลาพูดเราก็มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนมีเสียงกึกก้องแผ่ปลายแต่เวลาพูดนี่ก็มองผู้พูดด้วยสายตาที่มีความรักความเมตตานะไม่หลับไม่ได้มองไปทางอื่นแล้วก็พูดก็มองไปที่คนพูดแล้วก็พูดนะ mm hmm. แล้วก็ เ, เวลาเดินทางกลับอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังเหลียวตามองดูตามนะมีความอะไรในการที่จะต้องจากกันลักษณะนี้ ค, <ะ>นะคือเขายกย่องพระเจ้ามากเลยมานพคนนี้นะ่ะนี่เป็นข้อสังเกตจาก อ, อมาน์ที่ชื่อว่าอุตตรามานพที่เป็นสปายไปสอดดูดูแลเป็นสปายเ อ, อ<ะ>เพราะว่าเขาพวกมาน์พวกนี้เขาเตรียมการว่าจะไปถามคําถามพระเจ้าให้จน แต่พอไปถึงยังไม่ทันจะถามคําถามคือถามแก้คําถามแรกยังไม่ทำฐามคําถามต่อไปนะพนุจ้าก็สแสดงทําให้เห็นสิ่งที่ถูกหเห็นสิ่งที่ผิดแในพวกนี้ก็ทูลขอบวชบวชจรอดชีวิตพวกนี้ก็ได้เป็นหนึ่งในอสิติมหาสาวกแปสิบรูปเือนกันอ๋อคือแบบสงสัยอะไรเนี่ยผู้เองค์รู้ก่อนไม่ต้องถาม <c oughs> พูด <c oughs> ให้หายสงสัยได้ใช่ใช่แล้วก็คําถามนี้ก็เป็นไม่ต้องถามอีกต่อไปเพราะมีศรัทธาที่มั่นคงแล้วค่ะคือทีฉันคิดว่า สิ่งที่ท่านนำออกมาเล่าเนี่ยทำให้หลายๆคนดีใจมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อาจจะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเกิดความปิติอยู่ในใจแต่นึกไปไม่ถึงว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยพระพุทธองค์ของเราเคลื่อนไหวอย่างืดดูแล้วเป็นมนุษย์พิเศษเ น, นะคะคือเป็นผู้มีบุญนะ่ะดูท่าทางเหมือนกับ <ช> ม, มันคงจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นบุญญาบา ร, รมีเนี่ยการเคลื่อนไหวจึงพิเศษเช่นนั้นอันนี้เพิ่มเติมให้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ว่ามีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทํามานนั้นจนกระทั่งมันมีผลออกมาทางกายอย่างเช่นการที่มีตาเหมือนตาโคมีตาสีเขียว ข, ย เ, ข, เ, ขเข้มอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าผลของบุญทั้งสิ้นเลยที่ทํามาอื ม, อมนะคะเราก็ได้รู้จักพระพุทธเจ้าของเราผ่านทาง สายตาของมานพที่ชื่อว่าอุตรามานพชื่ออุตรามานอันที่เล่าไว้ที่ไหนอรัท่านคะอันนี้ก็นนนนเป็นคือบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกไง<น>เป็นข้อมูลของเป็นเป็นว จ, จนะเป็นคําพูดของอุตรามานพที่ได้อธิบายเอาไว้ให้อาจารย์ของตัวเองฟังนั้นในการที่จะเตรียมข้อมูลไปถามคําถามพระพุทธเจ้าให้จนซึ่งซึ่งเขาก็ไม่สามารถใช้ประเด็นที่เล่ามานี้ในการเตรียมคําถามได้เลยยังไงก็ตามนะคะ เลยไม่ต้องถามเลยอืมแล้วพอไปเวลาไปถามจริงๆเนี่ยชนคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องฟิโลสฟีเรื่องปรัชญาอะไรต่างเอายังไม่ทันจะถามถามคําถามแรกเท่านั้นเองนะยังไม่ทันจะถามต่อไปพระเจ้าก็แสดงตามให้เห็นสิ่งที่ถูกสินสิ่งที่ผิดปล่อยว่างทิฐินั้นได้เห็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องพวกนั้นเลยขอบวนหมดเลยค่ะ <c oughs> ท่านเพะะียบุญค่ะอืมนอกเหนือ่าเรื่องที่ผ่านไปท่านฟังคะ่ะยังไม่ทราบครั้งหนึง ท่านบูรีเนี่ยนเรื่องลราวนี้เล่าก็เพื่อที่จะพวกเราเนี่ยได้รู้จักพระองค์ของเรามากขึ้นในโอกาสปี่พทุทธศตวรรษีถือว่าเป็นการบูชาพระศาสนาของเราด้วยเพราะว่าท่านเป็นมหาบูรเง โ, โลกเนี่ยนะคะก็ควรจะได้รู้ว่าท่านนั้นเป็นอย่างไรนอกหนจากที่มีการรู้กันสูน้ตัวกันเหมือนเหมือนกนารจัดการเรียนและพื้นฐานที่ขั้นพื้นค่ะ มาถึงส่วนของคำนามใช่ไหมคะได้เจนพรค่ะที่นั่นเองอยากปรึกษาถามท่านว่าความเชื่อของพูศ้ศรัทธาพิจารณ์จะมีผิดแปลกแตกต่างกันไปอนะคะบางคนก็จะเชื่อว่าทำเพียงแค่อยู่บ้านนั่งปฏิบัติธรรมก็ได้กุศลมากพอแล้วบางคนบอกว่าไม่ได้พู้ช่วยเจ้าบอกว่าต้องไปหลีกเป็นก็เลยไปหลีกเน้นธรมที่ต่างๆ บอกคว่าเรียนยังไม่เท่ากับว่าไปละปีนึงเนี่ยโกงนี้จะบวชสักสองครั้งสําหรับผู้หญิงก็บอกบว่าอ๊ยแค่ไปบวชชีพตามก็พออืมก็ต้องการทราบเหกันนะคะว่าแบบไหนถึงจะถูกต้องแบบไหนจะได้บุญกุศลเอาไว้กว่ากันคะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ของ ของแต่และคนนั้นหมายถึงมีจุดสองอไรนะ ค, รคือหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในคาราวาร่าเอาแค่ว่าคุณเป็นคาราวะธรรมดาแล้วก็มีศีลอยังเสพการามอยู่บ้างาแค่อยู่ในครอบครัวคุณไม่ด่าไม่ว่ากาันหาเงินอย่างถูกต้อ ง, องใช้ใจ่ายเงินอย่างถูกต้องอันนี้คือคุณมีธรรมะเต็มที่เลยคุณจะมาวัดไม่มาวัด ก, ก็ดีทั้งนั้นนะ น, นี่อันนี้ประเด็นที่1เพราะว่าเราเป็นผู้เสพกามเราต้องการที่จะมีความสุขอย่างนี้แต่นี้ถ้าคุณต้องการจะหลีกออกละ ลีกออกจากกามกามนี่ฉันไม่ยุ่งเพื่อพัฒนาอะไรอะไรที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปฉันต้องการอะไรที่เป็นความสุขในภายในฉันต้องการดังนั้นคุณต้องประพฤติพรหมจรรย์รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่สองอย่างอย่างแรกเป็นนักบวชนักบวชก็เป็นสมณะใช่ไหมอย่างที่พระภิกสุกี้เขาเป็นกันหรืออย่างที่2คุณไปประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือคุณไปเป็นสื่อสินแปรนุ่งขาวอมขาวอยู่กับพระสงฆ์อย่างนี้ได้นะได้ทั้งสแบบรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ ถามว่าคำถามก็คือว่าอันไหนจะได้บุญมากกว่ากัน บ, บุญเนี่ยคือชื่อของความสุขพระชาบอก<ช>นะบุญคือชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเราทําแบบไหนแล้วมันจะเหมาะสมมันก็ก็คิดว่าได้นะแล้วคนที่อ่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคราว่าต์นะถือศีลแต่อย่างเงี้ยนะเป็นพระาอารหันต์อะไรต่างๆก็มีนะในสมัยพุทธกาลก็มีเพราะฉะนั้นะมันก็ไม่ได้สําคัญอยู่ที่ว่าอ เครื่องแต่งกายหรือว่ารูปแบบของการประพฤติถ้าอยู่ในมรรคแปดก็ต้องบอกว่าได้ทั้งนั้นอือยู่ที่ว่าคุณทําแล้วคุณสบายใจไหมนะคุณทําแล้วคุณรบกวนใครไหมคุณทําแล้วเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องไหมเป็นไปตามหลัพุทธวจนะหรือไม่พี่บูลค้ามาถึงเรื่องของคําถามเนะะี่ยค่ะดิฉนันเองก็สงสัยนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะไปปฏิบททัติธรรมมันก็จะมีหลายลักษณะบางคนก็เชื่อว่า ลำพังแค่นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็พอแล้วบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องไปหลีกเร้นอืบางคนบอกว่าอ่าไปบวชทีพระนุ่งขาวห่มขาวไม่โกนศีรษะแต่บางคนบอกว่าต้องโกนศีรษะแถมมีเลือกวันโกนด้วยนะคะว่าถ้าโกนวันนี้จะได้บุญกุศลมากกว่าโกนวันอื่นๆต้องรียบโกนกันซะ<อ>เป็นต้นเอาที่รับประเด็นก่อนนะ่ ะ, ะถ้าบอกว่านั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านกับถ้าเปรียบเทียบ ก, บกับการไปหลีกเร้นคือบางที่บางคนหลีกเร้นอยู่ที่บ้าน บางคนก็ไปหาที่ที่อื่นที่เป็นหลีกเล้นคือถ้าพูดโดยพุทธศาสนานะหลีกเล้นแล้วดีนะคุณจะอาศัยที่ไหนในการหลีกเลนที่ไหนก็ได้จะเป็นที่บ้านคุณก็ได้แล้ถ้าคุณหลีกเล้นได้จริงๆนะจะเป็นที่อื่นก็ได้ที่คุณหลีกเล้นได้จริงๆวิธีการพิจารณาว่าจะเลือกที่ไหนในการที่จะหลีกเล้นในพระเจ้าก็บอกว่าถ้าคุณไปอยู่แล้วนะกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ละได้สิทธที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาที่นั้นดีแล้วก็เรื่องปัจจัย4นี้เป็นเรรื่อองง นะถ้าบัญใจ4ีหาดีแล้วก็การปฏิบัติดีด้วยอันนี้ก็ให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตที่นั่นเป็นสถานที่ที่เราจะหลีกเลนอยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ถ้าพูดถึงการโกนผมการโกนผมเนี่ยเป็นก็เขาเรียกว่าเป็นความปกติของพระสงฆนะ์เป็นพวกของนักบวชนะนักบวชที่มีการปลงผมนี่ก็เพราะว่าจะได้ไม่มีภาระเรื่องที่ว่าเดินชาติมาจนต้องแสกกลางหรือแสกกลางดนะีมาการตัด พวกตัดผมย้อมผมอะไรก็ไม่มีหมดภาระไปเลยสบายแต่ประเด็นถ้าคุณต้องการมีความเป็นปกติอย่างนี้น ก, ก็สามารถทําได้ ก, ก็มีภาระลดลงไปอย่างนึงหละทีนี้ถามว่าโกนวันไหนในเมืองไทยนั่นก็โกนวันพระที่เดือนหนึ่งก็โกนครั้งหนึ่งใช่ไหมโดยพุทธวจนะก็ไม่ได้มีกําหนดว่าต้องโกนวันพระในเพียงแต่กําหนดระยะเวลาไว้มาไม่ให้เกิน2เดือนทีนี้ว่าโกนวันไหนก็ได้ทั้นั้นแหละ ถ้าผู้เช่าไม่ได้กําหนดก็คือก็เอาเป็นเรื่องที่สะดวกเลือกไหนถึงจะดีนะพผู้เช่าบอกว่าถ้าทําตอนเช้าแล้วจิตเป็นกุศลนะเวลานั้นดีถ้าทําตอนกลางวันแล้วจิตเป็นกุศลเวลานั้นดีถ้าทําตอนเย็นจิตเป็นกุศลคือกายวาจาใจเป็นกุศลได้ในเวลาเย็นทําเวลาเย็นดีค่ะก็แปลว่าฟังจากท่า น, นดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ <c oughs> คืะอยอยู่ที่จิตเราเป็นกุศ ล, ลหรือเปล่าค่ะถ้าจิตเป็นกุศลดีทั้งนั้นถูกต้องนะคะ แม่ฟังแล้วสบายใจง่ายดีค่ะอแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องหลีกเลนเห็นท่านบอกว่าฤดูการปิดเทอมเนี่ยหลีกเลนที่วัดป่าดอนไหายโศกก็เป็นล่ําเป็นสันเลยมีทั้งสามครั้งเลยคิดว่าหลายท่านอาจจะเงี่ยหูฟังอยู่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไปเองพาลูกไปอก็ขอทราบรายละเอียดเลยได้ไหมคะในเวลาที่เหลือเนี้ยคะ่ะก็อช่วงห ล, ลีกเลนไปทำํำไมใครบ้างควรจะไปหลีกเลนหลีกเลน เพื่อที่จะรู้ตามที่เป็นจริงคะ่ะใครบ้างควรจะมาหลีกเรนก็คือเป็นบุคคลที่ต้องการหลีกออกเป็นบุคคลที่ต้องการเห็นตามที่เป็นจริงนั้นคุณมาหลีกเร้นแล้วจะจะได้ตามนั้นคะ่ะจะเป็นคนที่นับถือาศาสนาอะไรก็ได้เราก็มีหลายๆกรณีที่คนนับถืออิสลามก็มาคนนับถือแคร์ตลึกก็มาแต่เพรามาเราก็ไม่ได้ว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนอะไรคุณก็มานั่งสมาธิแล้วก็ ปฏิบัติตามมักกินนันนี่กินอาหารแล้วก็จัดไปให้อย่างนี้นะค่ะเ้วก็การหลีกเลนนี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะให้เราเห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตอะไรต่างๆมาจะต้องมีข้อเขาเรียกว่ากฎระเบียบอะไรบ้างนะเราก็ให้ทำตามกฎระเบียบเช่นกฎของการหลีกเลนนั่นคือการที่ไม่พูดคุยการมีโทรศัพท์อะไรก็ฝากเอาไว้ค่ะเขาเป็นบุญคดีเด็ดดิฉันขอเบรกถามตรงนี้นิดนึงสามารถเติมเต็มให้เข้าใจได้มาก เต็มประโยคหน่อยได้ไหมคะว่ารู้ตามที่เป็นจริงนั้นคือการรู้อริยสัจสี่ค่ ะ, ะนะคะรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องของอริยสัจสี่ใช่ะะทีนี้แค่เราเห็นการไม่เที่ยงเนี่ย ก, ก็ถือว่ารู้ตามที่เป็นจริงได้เหมือนกันค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าใครก็ได้ถ้าหวังผลต้องการรู้ตามที่เป็นจริงจะาศาสนาอะไรก็ได้ดิฉันอยากทราบว่าช่วงปิดเทอมนะคะ เด็กปิดเทอมเนี่ยเฮลโลปิดเตอร์เด็กยันเด็กโตเลยนะคะเด็กเล็กยันเด็กโตอ่าคุณสมบัติเรื่องอายุมีไหมคะก็ต้องเป็นคนที่พอบอกพอพูดได้เข้าใจนะคือสั่งแล้วเราเข้าใจได้อ่ะอย่างสมมุติถ้าเด็กทารกอย่างเงี้ยสั่งแล้วเขาาไม่รู้เรื่องเขาก็ร้องไห้ย่เีก็จะไม่ได้หรือถ้าถ้าพอจะเข้าใจได้ก็ต้องเป็นเจ็ดขวบขึ้นไปนะบางคนจะเข้าใจเร็วก็สามารถมาได้ก็ไม่มีปัญหา คือบางคนเนี่ยเจขวบก็ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าเวลานี้ควรกินเวลานี้ไม่ควรกินอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็ไปได้กันการให้พิจารณาดูก็แล้วกันต้องรีบขมวดเพราะว่าจะถามท่านว่าขออีกครั้งได้ไ้ยคะวีระหว่างวันไหนบ้างในวันที่ช่วงนี้ก็มีส1มสิเอ็ดมีนาถึงวันที่แปดเมษาอันนี้นนครั้งที่หนึ่งช่วงต่อมาก็จะเป็นสิบสี่มีเมษาถึงวันที่ยี่สิบสองเมษา แล้วก็28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะก็โดยเฉลี่ยก็ยังดูเป็นเดือนละครั้งอยู่ใช่เดือนละครั้งเพียงแต่รวบของเดือนมีนากับเดือนพฤษภามากใกล้เดือนเมษามากขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าท่านจะไปก็ติดต่อไปที่ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะหลวงพอ่อดเตอ์ .com อหลวงพ่อด็อคอมหลวงพ่อดรดอทค วัดป่าดอนไฮโซ <ừ> อุดรนธานีนะคะ <ừ> วันนี้เวลาคงจะห<ม>ให้พวกเราได้เท่านี้เท่านั้นละคะท่านคะะ <Yeah. S 2> ก็กราบนพัสี ก, การท่านไปบุญไปอย่างยิ่งเลยนะคะยิ่งไปอีท่านเองจะยังพบกับผู้ฟังทางวิทยุเนี่ยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันส่วนดิฉันและท่านมาร์กเนี่ยนะคะก็จะหยุดพักเสาร์อาทิตย์เพื่อกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ตีห้าเช่นเคยกับรายการสัสนิสนทนาที่ FM ฟเอร้อหวิทยุ ครอบครัวข่าวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะได้นําเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเนี่ยการทําสม่ําเสมอประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินะคะขอให้ชีวิตของทุกท่านพบกับความสวัสดีด้วยการนําพุทธวจนะไปใช้พุทธวสวัสดีค่ะ